เพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเน้นในเรื่องรู้ตัวในปัจจุบันมากเลยเนาะแต่ปรากฏว่าโยมก็มีหลายคนแหละเนาะก็ปรากฏว่ารู้ตัวไม่เป็นเนี่ยหลวงพ่อก็มีการสาธิตนะสาธิตขึ้นมาเพือเอ่อให้รู้จักว่าการรู้ตัวเนี่ยคือรู้แบบนี้ทีนี้เดี๋ยวโยมลองลองทําแบบฝึกหัดร่วมกันเนาะเหมือนว่าหลวงพ่อก็จะให้ทําแบบหลวงพ่อก็จะบอกกนนะ แล้วหลวงพ่อก็จะถามไปเรื่อยๆแล้วก็ให้โยมตอบบนพื้นฐานที่เข้าใจที่รู้อ่นะเออไม่บิดเบือนอะไรอ่าเนาะทีนี้เอาอย่างนี้เริ่มเลยก็คือตอนเนี้โยมยมอยู่ที่ไหนนะพูดถึงตอนเนี้ยที่อยู่อยู่บ้านหรืออยู่ที่ทําอะไรเนี้ยเออประมาณนอ๋ออยู่อยู่ในห้องนอนครับอยู่บ้านอ่าอยู่ในห้องนอนนะอยู่กี่คนอ่ะอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวนะเออทีนี้หลวงพ่อจะให้ใช้วิธีเหมือนกับคนอื่นนี่แหละทีนี้ดูทีว่ามันจะเข้าใจในทิศทางเดียวกันไหม เออที่ผนังห้องเนี่ยมีอะไรที่แขวนอยู่บ้างตอนเนี้่นาฬิกากรอบอรูปมีอะไรพวกนี้ไหมมีกระจกแบบพ่านครับแล้วก็มีโคมไฟกิ่งแค่นั้นนะครับผมไม่มีนาฬิกาในห้องนอนอ๋อมีกระจกใช่ไหมเอ่อเป็นกระจกส่องนะครับกระจกส่องเฉยๆครับลเล็กๆอยู่แล้วก็มีไฟกิ่งที่เป็นไฟแบบไฟกิ่งก็เล็แขวนได้ใช่ไหมครับไฟที่เป็นไฟ มีการยื่นออกมาแล้วก็เป็นโคมสวยๆครับยื่นเออางี้ถ้างั้นให้ให้โยมเลือกเอาเองว่าโยมจะดูอะไรสักอย่างเดียวที่ที่ที่ติดอยู่ที่ผนังกันนะอ่ดูผ้าม่านแล้วกันครับตอนนี้หันหน้าไปผ้าม่านนะทีนี้อ่ให้โยมตอนนี้โยมนั่งหรือยืนอยู่นั่งครับนะนั่งอเอายมยืนดีกว่าอ่ยืนนาแล้วก็หันหน้าไปที่ผ้าม่านนะแล้วก็โยมโยมมองอยู่ที่เฉพาะผ้าม่านพอเนาะ แล้วยมไม่ต้องรู้ตัวเองนะว่าตัวเองที่อยู่อยู่ด้านหน้าผ้าม่านนะไม่ต้องรู้นะห้ามรู้เด็ดขาดเลยนะครับอ่าทีนี้อ่าวตอนเนี้ยกติกาก็คือว่าหนึ่งยมยืนแล้วก็สองคือมองไปที่ผ้าม่านแต่มองเป็นปกตินะอาจจะเพ่งก็ได้แล้วแต่แต่สิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญคือห้ามรู้ตัวเองเด็ดขาดว่าตัวเองอะยืนอยู่ นะทีนี้เอา้าหลวงพ่อจะให้เริ่มได้แล้วหลวงพ่อจะถามไปถึงยังไงนะฮะไปถึงว่าห้ามคิด ว, คออ ว, ว่าตัวเองยืนอยู่แล้วครับหรือเออห้ามห้ามรู้ห้ามรู้ตัวเองว่าตัวเองยืนอยู่ห้ามรู้เด็ขดขาดจะจะพยายามครับอนะอโอเคนะอ้ะวโอเคนะเอาตอนนี้เริ่มนะเอา้าเอ้าพอหลวงพ่อจะถามว่าทําตามที่หลวงพ่อให้โจทย์ได้ครบถ้วนไหมหรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ไดไไดข้อไหนยังไงเอาขยายมา หมายถึงว่าหลวงพ่อให้ยืนและให้มองข้ามานใช่ไมครับเออใช่ใช่แลวก็สาระสำคัญคือห้ามรู้ว่าตัวเองยืนมองอยู่ครับได้ครบไหมทำได้ทุกทุกอย่างไหมไม่ไม่ครบครับ <laughs> เออตัวไหนที่ไม่ได้ตัวไหนที่ไม่ได้เอออันนี้นั่งได้ยังครับหรือจะนั่งนั่งนั่ ง, น, งนั่งคุยได้อ่า <laughs> เออตรงไหนที่ทำทาได้ตัวไหนที่ทำไม่ได้เออลองบอกดิเราก็ออยังรู้ว่าตัวเองมองข้มานอยู่ครับ แล้วหลวงพ่อบอกว่าอย่ารู้ไงตกลงมันรู้เหรอเอ่อมันต้องทำํำยังไงถึงจะไม่รู้ครับเอาไม่เป็นไรอันนี้คือคือเป็นกิจกรรมเพราะว่าคือเหมือนกับว่าเออเราจะท้าพิสูจน์ไงว่าในสิ่งที่เราห้ามว่าอย่ารู้เนี่ยมันทําได้ไหมแต่จริงๆก็โยมพยายามจะไม่ให้รู้ใช่ไหมอตอนยืนพยายามครับแต่ว่าตอนมองนี่กำลังตั้งใจฟังว่าหลวงพ่อให้ทําอะไรต่อ ก็เลยมองเขม่านไว้หลวงพ่อไปเพ่งก็เลยเพ่งไม่ได้เพ่งครับมองเฉยไม่ได้เพ่งแต่สุดท้ายก็หลุดรู้ตัวเองจนได้เนาะรู้ตอนมองครับแต่ตอนยืนเนี่ยพยายามไม่รู้อยู่ครับเออทีนี้หลวงพ่อพูดถึงประเด็นที่เรื่องรู้ตัวเองเนาะครับโยมโยมจะขยายความในการรู้ตัวเองได้ยังไงบ้างให้พูดตามภาษาที่โยมเข้าใจไม่ถึงการรู้ตัวเองใช่ไหมครับใช่แต่ว่ามันอาจจะอาศัยอย่างอื่นด้วยเพราะว่ามีผ้าม่านเนาะภาพม่านแล้วก็ตัวโยมที่ยืนแล้วก็พูดถึงอการรู้ตัวเองเนี่ยลองลองพูด อยู่ในกรอบอย่างเนี้ว่าเออมันเป็นยังไงที่โยมจะพูดได้เป็นภาษาของโยมเองอะคือว่าเริ่มต้นไม่ถูก <c oughs> เดี๋ยวพ่าจะถามนําก็ได้ทั้งนั้นครับตอนแรกเนาะตอนแรกเนี่ยเราเป็นผู้ <c oughs> เราเป็นผู้ยืนนะถูกไหมใช่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ก็คือยือนมองนั่นแหละนี่นี่คือตอนแรกเลยเริ่มแรกพระผ้าม่านมันอยู่ของมันอยู่แล้วครับ <c oughs> เราเป็นผู้ยืนมองผ้าม่าน แล้วก็พอมองไปมานานๆเนี่ยโอเคผ้าม่านเเป็นสิ่งถูกมองอยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาเพราะตัวมันตั้งตรงอยู่นั้นอยู่แล้วแต่ทีนี้พอหลวงพ่อบอกว่าห้ามห้ามรู้ตัวเองเด็ดขาดว่าตัวเองอ่ะยืนมองอยู่แต่มันดันมารู้ตัวเองว่าตัวเองยืนมองถูกไหมเนาะใช่ครับอ่าทีนี้หลวงพ่อจะถามเรื่องเรื่องรู้พอเมื่อกี้มันมีผ้ามา่านแล้วก็ตัวเองผ้าม่านก็เป็นสิ่งถูกมองอใช่ไหมครับเมื่อตัวเอง เตงมันกันว่าตัวเองเป็นสิ่งถูกถูกมองไงถูกเห็นโดยผู้รู้ถูกไม้ถ้าหลวงพ่อพูดแบบนี้อ่าใช่ครับใช่อ่าทีนี้หลวงพ่อจะถามเรื่องผู้รู้เถวนี้ว่าผู้รู้เนี่ยมีอยู่ใช่ไหมมีหมายถงว่ามีกรณีที่ว่ามันรู้ว่าเรายืนมองไอ้นี่พูดถึงตรงนี้ก่อนยอมรับได้ใช่ไหมว่ามีผู้รู้จริงมีพี่รู้มีผู้รู้อยู่จริงหมายถึงว่าตอนผมยืนมองข้า้านใช่ไหมครับ ไอตอนที่มันรู้เราอะตรงเนี้ยเหมือนกับว่าหลวงพ่อจะจะไล่เป็นขั้นๆว่าเนี่ยยอมรับได้ไหมว่ามีผู้รู้ที่รู้เรามีครับมีเรารู้เรารู้รมีนะโอเคเพราะว่าถ้าไม่มีผู้รู้รู้เราก็คงไม่รู้หรอกว่าเรายืนถูกไหมอ่าก็เรื่องเป็นที่ยอมรับว่าผู้รู้มีแน่นอนทีนี้หลวงพ่อก็จะถามต่อว่าแล้วผู้รู้ที่มีเนี่ยมันเป็นมันเป็นเราไหมหรือว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงไหมอ่ะถ้ า, ออถาตอบผมแบบแบบ ตามความคิดผมเลยกบ<ช> <ๆ S 1> เป็น<ช>เป็นตัวเราเนี่ยแหละครับเป็นตัวผมที่รู้เนะครับอ๋อคือเรารู้เราใช่ไหมใช่ครับใช่แล้ว อ, อันนี้อันนี้ความคิดผมนะครับอ่าโอเคนะถ้าถ้าเรารู้เราโอเคตัวเราที่ยืนเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาเพราะตัวเนี้ยใครก็รู้จักคนนอกกัยังยังรู้จักได้ว่าเรายืนเนาะครับแต่ไอเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยไอตัวเนี้ยมันยืนมองอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ไหนอะอืม ถ้าเป็นเรานะเออต้องต้องบอกได้สิถ้าเป็นเราว่าเราอยู่ตรงไหนวะเรายืนอยู่หน้าพมาณเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ตัวเราเป็นผู้ยืนไม่ใช่เป็นผู้รู้แต่นี่ผู้รู้มันคนละตัวสิโอเออถ้าผู้รู้เป็นเราเออหลวงพ่อก็อยากรู้เหมือนกันนะผู้รู้เป็นเราแล้วเราอยู่ที่ไหนตรงนั้นอ่ะขนาดนั้นอืมจริงจริงมีใช่ไหมครับหลวงพ่อมีีิถ้าไม่มีมันไม่รู้ว่าเรายืน แต่มีแน่ทีนี้แต่ติดบังเอิญว่ายมไปต่อว่าเราเป็นผู้รู้ <c oughs> เลยหลวงพ่อก็ถามว่าอ้าวถ้าเราเป็นผู้รู้เนี่ยต้องบอกได้ว่าหน้าตาเราผู้รู้คือแบบไหนอะ่ะแล้วมันยืนอยู่ที่ไหนมันยังไงอืมผมยืนขึ้นไปผมมองท่ามา่านผมรู้ว่าผมยืนตังสิ <c oughs> เออผมรู้ว่าผมยืนไอผมว่าไอผมไอผมรู้เนี่ยไอผมตัวเนี้ยอยู่ไหนอ่ะใครอ่ะมันอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไง หน้าตาเหมือนเราหรือเปล่าหรื อ, อยังไงก็ถ้าตอบแบบแบบความรู้เท่านี้ก็คือเหมือนนะครับือเหมือนนาจะเหมือนผมเลยแหะครับถ้าเหมือนก็แสดงว่าไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งถูกรู้ดิถ้ามันเป็นตัวเดียวกับผู้ยืนก็แสดงว่ามันเป็นสิ่งถูกรู้แล้วผู้รู้ล่ะคือเคยรอ่ะงเงเพราะว่าผู้ยืนบอกบอกว่าหน้าตามันเหมือนเราใช่ไหมใช่ใช <s> ่แต่เราคือผูอ้ย<ๆ>ืนไงเออเราถ้าเหมือนมา เราไปตั้เสียงแล้วโยกหลวงพูดรู้คือเราแบบเราจะเป็นทั้งผู้รู้ทั้งผู้ยืนได้ด้วยไหมครับลองลองพิจารณ์ดีถามว่าเป็นยืนได้ด้วยไหมคือคือคือตอบได้แต่ว่าต้องต้องตอบคําถามหลวงพ่อได้ว่าถ้าถ้าไอ้ผู้ยืนนะหลวงพ่อไม่ติดใจหรอกเพราะว่ามันมันมันมันมันมีอยู่จริงแล้วก็แต่ผู้รู้เนี่ยที่บอกว่าผู้รู้เป็นผมหรือว่าผู้รู้เป็นเราเนี่ยตรงนี้ยมอธิบายต้องให้หลวงพ่อเข้าใจว่าไอ้ผู้รู้ผู้รู้เนี่ยมันคือมันมันยังไงอ่ะหน้าตามันยังไงมันอยู่ที่ไหน ถ้าบอกว่าหน้าตาเหมือนเหมือนคนเดียวกับคนที่ยืนเอาคนที่ยืนมันเป็นถึงถูรู้นี่อเออตกลงผู้รู้เนี่ยมันต้องต้องคนละคนกันแน่ตกลงคนละคนหรือคนเดียวกันเอาถ้าตอบอย่างผมความรู้อย่างผมก็โซเดียวกันครับอ๋อถ้าคนเดียวเพราะผมยืนอยู่คนเดียวในห้องหมายถึงว่าแต่ผมเข้าเข้าใจหลวงพ่อพูดนะแต่ผมพยยามอธิบายเป็นเป็นคําพูดเอคือหมายถึงว่าเอหลวงพ่อจะบอกว่าเรายืนไปแล้วเยอะ ใครใครรู้ว่าเรายืนใช่ไหมครับเออตรงนี้นผม<ง>ผมเข้าใจแหละแต่ว่าถ้าถ้าถ้าความรู้ณเวลานี้ของผมผมก็มันมันก็ยังยึดติดว่าตัวตนว่าเราเป็นเป็นเราอยู่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเรายืนเราก็รู้ว่าเรายืนเนี้ยครับมันก็จะมีออความาเราอยูค<ง>่คือเรารู้เราใช่มไหมใช่แต่ว่าที่นี้พ่อพูดนะครับเออใช่ทีนี้ถ้างั้นก็ต้องต้องไปค้นหาตัวเราไปสแสวงไปค้นหาตัวเราให้เจอว่าไอ้ผู้รู้เราเนี่ย มันจริงๆมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าโยมบอกว่าหน้าตาเหมือนเราใช่ไมเหมือนรเราก็แสดงว่าหน้าตาเหมือนผู้ยืนถูกปะ่ะครับอ่าแต่ผู้ยืนมันเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วนี่แล้วตรงนี้โยมจะจะว่ายังไงเออเจถถูกก็ผมก็ไม่ได้ผมกมเข้าใจจริงๆนะว่าแต่ผมก็เลยถามว่าจริงๆแล้ว ท่านถ้าอันนี้เป็นบททดสอบหรือว่าเป็นเกม น, นะครับคือคืออ่ ม, ม, มันเป็นเหมือนกับว่าใ ห, ให้รู้ด้วยตนเองส่วนหนึ่งแต่ว่าหลวงพ่อ<ไ>เหมือนกับว่าคอยคอยตาร่อมมันเนาะเพื่อให้เกิดขับความรู้ใหม่เกิดขึ้นว่าไอที่เรารู้ว่าเรารู้ตัวเองเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้อาจจะเ ป, เป็นอย่างอื่นก็ได้อะอันอันนี้ขออนุญาตถามนะครับว่าใ น, ในพอเป็นจริงแล้วอย่างทีผ่ผมถามไปนะครับว่าถ้าเป็นเกมเป็นบททดสอบอะไรก็ตามแต่ถ้ามีกติกาเนี่ยจริงๆแล้ว ผู้รู้กับผู้ถูกรู้เนี่ยหรือผู้ผู้ยืนอยู่ผู้รู้เนี่ยสามารถเป็นคนเดียวกันได้ไหมครับอ่ะนนี้ไม่ถึงว่าถ้าหลักที่หลวงพ่อจะจะ <c oughs> จะีแนหน่ไม่รู้แหละเดี๋ยวเอาเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะเอาเริ <c oughs> เริ่มใหม่นะ <c oughs> ลองลองเอาเอาอย่างนี้นะเออตอนนี้โยมโยมเปิดไฟในห้องใช่ไหม <c oughs> เปิดครับเออแล้วเห็นรู้ตัวเองได้ไหมว่าตัวเองอยู่ในถ้ำกลางของความสว่างตอนนี้ยรู้ได้ไหมโดยไม่ต้องใช้ตาดูโอเคนะทีนี้เอาปิดไฟให้หมดเลย ปิดไฟให้ห้องมืดอหละมันงมืดมั่งตปิดเนาะมืดไหมมืดไหมอ่ามืดแล้วยังรู้ได้ไหมว่าตัวเองยังอยู่ตัวเองอยู่ยังอยู่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนรู้ได้ไหมรู้ครับรู้ได้นะแสดงว่าการรู้เนี่ยโอเคไม่ได้รู้ด้วยตาเนาะใช่ครับอ่าไม่รู้ด้วยตาแล้วตัวรู้มีจริงใช่ไหมเมืองว่าไอ้ตัวที่รู้เรามีจริงนะยอมรับได้เนาะ ครับและตัวถูกรู้ตัวเราก็มีอยู่จริงเนาะยอมรับได้เนาะครับผมอ่าแล้วเมื่อเป็นอย่างเนี้ยใครเป็นคนรู้เราอะตอนที่สว่างมันก็รู้เราว่าเราอยู่พอปิดควแล้วมันมืดตื้อตือแต่มันก็ยังรู้เราว่าเราอยู่ตกลงอไอตัวรู้มันเป็นเราไหมหรือว่ามันยังไงลองดูดิแต่สาหรับผมผมก็ยังตอบว่าเป็นเราครับเพราะว่าแต่ว่าอย่างที่เข้าใจหลวงพ่อว่าจริงๆแล้วเออ เรานั่งเรายืนเนะี่ยโอเคเราเรารู้ว่าเรานั่งเรายืนนะครับแต่ว่าโอเคดังนั้นหลวงพ่อถามต่อตามความรู้สึกพื้นฐานนะสมมุติว่ายังไม่มีการทดสอบเรื่องนี้เนาะโยมเข้าใจว่าตัวเราที่เกิดมามันมีกี่ตัวอืมตัวเดียวครับอ้าวแล้วทำไมตอนนี้มันมีสองตัวล่ะ <c oughs> เออนั่นสิเออเราว่าอย่างนี้เนาะ <c oughs> ให้โยมไปหาการบ้านเนาะ ไปคิดค้นให้จนเจอเลยว่าไอ้ตัวรู้เรามันเป็นเราหรือเปล่าหรือมันอะไรเนาะเออดีเหมือนกันเนาะเป็นการบ้านไปไปค้นไปวิเคราะห์เข้าห้องเออเข้าห้องอะไรนะห้องปฏิบัติการนะ่ะเกิเดือดกันเปมืดมาก <c oughs> เลยเปิดได้เปิดได้เปิดได้ไม่เป็นไรผมมีโคมไปที่เป็นดาวเาลวลาเปิดมันจะเป็นดาวขึ้นมาที่นั่น่ดานา่าหรือหรือหรือมันมีอีกอันนึง <c oughs> เออเดี๋ยวเดียวอันสุดท้ายนะอย่างงี้เนาะให้โยม ในห้องอ่ะมันมีไหมแมที่ไอ้แสงไฟนะเวลามันทอดปั๊บแล้วมันจะมีเงาอาจจะเป็นใต้โต๊ะเก้าก้าอีมีเงาดำาๆกับไอ้ตรงที่มันไม่เป็นเงาคือเป็นแสงมีไหมพูดง่ายๆว่ามีมีเงาคือมีสีดำกับสีขาวอ่ะสีแสงสว่างอ่ะมีไหมเขามีครับมีพวกเปิดเปิดไอแพดโอเคโอเคหลวงพ่อจะให้ไอแพครับหลวงพ่อจะให้ให้ทำแบบนี้นะให้โยมตัวโยมนี่แหละเป็นคนมองไปที่มองไปที่สีดำเนาะ สีดำครับเออสีดาสีเงาอ่ะนะเห็นเนาะเห็นแล้วกตจริงพร้อมๆกันนั้นมันก็เห็นสีสีถือแสงกันนะเห็นพร้อมเนาะพร้อมครับอ่าแล้วโยมรู้ได้ไหมว่าใครเป็นคนเห็นพวผมเห็นครับผมเห็นนะโอเคแล้วใครเห็นผมมาทีเนี้ยตอบอีกทีถ้าตอนนี้ไม่มีนะครับใครเห็นผมว่าผมเป็นคนเห็นไอ้สองสิ่งนั้นนะสีดำกับเงาอ่ะมันถือว่าถ้าใครใครเห็นผมว่าผมเห็นอันนี้เหรครับ คือคือผมอะผมอะเป็นคนเห็นผมเป็นคนเห็นเห็นอะไรวะเห็นเมื่อกี้สองสิ่งนะสีดํากับเงากับไอไอที่ที่แสงอันเนาะเราเป็นคนเห็นเนาะครับทีนี้รู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนเห็นน่ะอืมถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินก็ต้องบอกว่าใจรู้ไหมฮะหรือว่าเออแล้วใครรู้ว่าใจรู้เออเราเราเราหรือเปล่าฮะเออเรารู้ว่าใจรู้เนาะแล้วใครรู้เราอะ ว่าว่าเราเป็นคนรู้อืม <c oughs> <c oughs> เออแต่ผมจะอธิบายผมพ่อไงผมเข้าใจนะแต่ผมก็ยังอธิบายไม่เออเอแต่เอาแล้วพอจะเห็นไรๆรไหมว่าไอตัวเราที่เป็นสิ่งถูกรู้กับผู้รู้เนี่ยพอเห็นไรไรไว่ามันเป็นสิ่งเดียวหรือคนละสิ่งกันเ อ, อ่อหมายถึงว่าตัวรู้กับผู้เราผู้ถูกรู้กับผู้รู้ใช่ไหมครับ เออคือตัวคือมีตัวเราแล้วก็มีมีตัวรู้เราตอนนี้อนพอเห็นแบบไหนยังเห็นหรือว่ายังเห็นเรารู้เราอยู่เหมือนเดิมหรือว่าเพิแบบ่มไปนิดนึงก็คือประมาณว่าสมมุติที่หลวงพ่อจะถามก็คือถ้าตอนผมยืนใช่ไหมครับเอมผมผมก็คือคนที่ยืนแล้วก็จะมีมีอันเนี้ยคือแล้วก็มีคนรู้ว่าผมยืนเพราะฉะนั้นคนที่ยืนอยู่ก็จะเป็นผู้ถูกรู้ใช่ไหมครับถูกแล้วผู้รู้ก็คือผู้ที่รู้ว่าผมยืนอ ซึ่งมันก็คือผมคนเดียวกันผมกำลังแย่อยู่คือผมนั่งอยู่งคนเดียวถ้าไม่มีผมผมอยู่คนเดียวนะค่ะแล้วก็แล้วก็อันนี้ผมผมเข้าใจว่าเออกลายเป็นว่าหลวงพ่อก็เลยจะจ ะ, จะถามผมว่าอ้าวแล้วในเมื่อเรารู้ได้ไงว่าเรายืนในเมื่อว่าไอาการยืนเราเป็นผู้ถูกรู้ไปแล้วใช่ <c oughs> ใช่ไหมครับทีนี้ <c oughs> เราเป็นผู้ถูกรู้ไปแล้วเพราะเรายืนขึ้นกับไอ ย, ยืนเน่ยคือเราเป็นผู้ถูกรู้แต่ว่าถ้าเกิด คนที่รู้ว่าเรายืนก็คือเป็นผู้รู้ออืซึ่งคำที่ผมก็คือคนเดียวกันเออตรงนี้หลวงพ่อก็จะชี้โดยภาพรวมนะเนี่ยคนก็นี่แหละถึงจะเลื่ญสติแค่ไหนหรือจะฝึกแค่ไหนเนี่ยมันยังมีตัวเราหมดเลยเราเป็นผู้เดินเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราเป็นผู้ฝึกครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของง่ายเลยเนี่ยที่จะถอดถอนความเห็นผิดตรงเนี้ยเพราะพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาใช่ไหมคือไม่มีเราเลย แต่ปุถุชนทั่วไปเนี่ยยังเห็นผิดไงแล้วขนาดเห็นผิดนะพยายามแคะพยายามเอาออกแต่ยังเอาออกไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยอเพราะว่ า, าดาบใดก็ตามยังเห็นไม่ถูกต้องเนี่ยครับมันเขาเรียกว่าเป็นวัฏฏะสงสารที่ต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบไม่สิ้นอ่ะซึ่งพบชาติเนี่ยมันนานไม่รู้เท่าไหร่อ่ะโยมดูสิแล้วก็นี่ขนาดแบบเออเป็นพี่เลี้ยงกันเนาะคอยแบบชี้เพื่อให้เข้าใจแต่ยังเข้าใจไม่ได้อ่ะเพราะนั้นโยมเอ้ย มันจะว่ายากสุดๆก็สุดแต่ว่าคนที่เข้าใจก็มีเออเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสติปัญญาเนาะเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงแต่ เ, เรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเนี่ยต้องคุยกันต้องมามาทำทดสอบไงบางทีเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจอย่างของโยมนะเนี่ยถ้าคุยกันทุกวันเนี่ยสักวันหนึงหลวงก็ค่อยๆเข้าใจเรื่อยๆแล้วก็ใจแยกออกว่าอะไรเป็นอะไรเออเพราะนั้นโยมตั้งชื่อขึ้นมาสติเนี่ยให้สมชื่อนะ S <S 1> <S 1> สติเนี่ยคือมันไม่ใช่เราตัวสติเนี่ไม่ใช่เราอยู่แล้วตัว่าตัวสตินี่ถ้าพูดถึงก็คือเป็นเรื่องฝ่ายนา ม, มาทำคือฝ่ายจิตเนาะเอครับส่วนกายที่เดินเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากายจิตมารู้กายหรือว่ามีสติรู้กายเพราะฉะนั้นกายเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สติไม่ใช่จิตแต่ไอตัว ต, ต, ต, ตัวนู้นไ อ, อตัวที่รู้เนี่ยมันอีกตัวหนึ่งคือมารู้มาเดินทีนี้ของโยมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมารู้อะไรมารู้ว่าโยมยืนอยู่ใช่ไหม เออแล้วเพราะงั้นถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจให้ถูกนะมันเป็นเราได้ไหมอ่ะอันนี้เข้าใจแบบทางทฤษฎีก่อนว่าที่รู้เราเนี่ยตกลงเป็นเราหรือมันเป็นสติหรือเป็นอะไรเอออืมหรือยังเป็นเราเอยู่ <ใจ S 1> ยืนยันไม่ไม่ไมครับคงเป็นคือคือผมผมผ ม, ผ ม, ผ ม, ผมองในแง่ภาพรวมนะคะ <S <S รับ <ๆ S 2> ว่า <ๆ S 2> ว่าหลวงพ่ออาจจะอาจจะแทาอธิบายว่านี้ผมฟังว่าจริงๆองค์ประกอบตัวเรามันประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเป็นตัวเราใช่ไหม เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าถ้าเกิดไอสิ่งที่เราต้องแยกแยกกายแยกจิตประมาณนี้ใช่ไหมนี่ภาษาภาษา<ช>ภาษาแบบ <ๆ S 2> ทางทางพุทธผมผมไม่แน่ใจผมไม่ถนัดภาษาแบบนี้นะครับแต่เข้าใจว่าต้องแยกจิตแยกกายที่ผมเคยฟังจากผมไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อหรือว่าพระรูปไหนที่บอกว่าเออไม่ได้เทพเป็นบุคลาี่ฐานด้วยนะครับ<ม>แต่หมานถึงว่าตอนพุทธองค์ทรงชรามากแล้วแล้วก็แล้วก็เดินทางไกลได้เนี่ย ไม่ได้แปลว่ามีปฏิหารอะไรแต่ว่าพระองค์ท่านแบบแยกิแยกจิตแยกกายได้แยกจิตแยกกายในที่ไม่ได้ปฏิหารนะครับหมายถึงว่าแยกแยกรู้อยงที่หลวงพ่ออาจจะที่สอนอยู่เ น, นี่ยนะครับที่ที่กรุณาสอนผมอยู่เนี่ยใช่ใช่ใช ก, ก็เลยกําหนดได้ว่าเออเหนื่อยไม่เหนื่อยรู้รู้ทันเท่าทุ่เท่า ท, ทันความเหนื่อยอะไรงเงี้ยครับใช่ใชพระองค์ท่านก็เลยเดิน<ๆ>เดินได้ไกลผมเข้าใจประมาณนี้ไหมครับว่า ว่าเราถ้าเรแยกได้ ว, ว่าความเหนื่อยคืออะไรแล้วอะไรที่เหนื่อยอย่างเงี้ยใช่คือเอาก็อย่างนี้แหละคือถ้า <c oughs> ถ้าแยกกายแยกจิตนะ น, นะหมายความว่ามีปัญญาแล้วว่ากายก็ไม่ใช่เราใช่ไหมครับจิตก็ไม่ใช่เราทีนี้เมื่อเมื่อมันไม่ใช่เราแล้วเนี่ยจะเดินจะนั่งมันก็ไม่ใช่เราตลอดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นจะเป็นความรู้สึกจะเป็นความเหนื่อยความไม่เหนื่อยก็แล้วแต่มันก็คือไม่ใช่เราหมดไงทีนี้พอเราพูดเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ถ้าพูดเป็นแบบ ความไม่เหนื่อยคือความพ้นไปจากความเหนื่อยเขาเรียกอันนั้นแหะคือพุทธะคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยเป็นแค่เป็นผู้รู้อย่างเดียวรู้อะไรรู้ ร, รู้รู้สิ่งที่ถูกแยกนั่นแหละว่าเอออันนี้เป็นกายอันนี้เป็นจิตรู้ถึงอาการต่างๆแต่พุทธะเนี่ยไม่มีอาการเหล่านี้เลยนี่แหละครับตรงนี้ที่ผมว่าผมว่ายากนะผมขอขอยากที่ว่าที่ว่ายากยากยากคือมันเหมือนแบบว่า เราู้ทฤษฎีอใช่ไหมครับแต่ว่าการปฏิบัติอย่างที่ผมผมฟังบางวันก่อนๆที่ว่ามีหลายๆท่านที่มาถามผมเชื่อว่าเออมันก็เป็นเราก็เคยเป็นแบบนั้นนะครับที่ผมเคยคุยว่าเออบางทีเรารู้ตัวแต่เรารู้ค่ช่วขณะแต่พอพอณเวลามันผ่านไปเราก็กลับไปเป็นแบบเออไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอีกแล้วอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกแหะครับผมเข้าใจได้เพราะเพราะโดยโดยนามธรรมเราอ่ะขออนุญาตครับขออนุญาตโดยนามธรรมเราเราเรามองเป็นเรื่องของ ของความเป็นตัวเราอยู่แล้วครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราโดนมีดบาดเราก็รู้สึกเจ็บมันเป็นความรู้สึกทางธรรมชาติของร่างกายอยู่แล้วออืแต่เราไม่สามารถแยกได้ว่าอ๋อไอ้ที่มันบาดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรานะอะไรอันนี้อันนี้ผมก็รู้สึกว่าเนี่ยไอ้แบบเนี้นต้องฝึกแล้วมันมันค่อนข้างยากอยู่ครับแต่เชื่อว่ามันมีวิธีครับเออทีนี้เดี๋ยวทวนมาเรื่องรู้นะอันนี้หลวงพ่อจะแยกจากคือพูดให้ฟังอนโะยมดูน ะ, อะตอนแรกที่ดูดูม่านเนาะดูผ้าม่านเนาะแล้วก็มีโยมเป็นผู้ยืนนะ แล้วก็มันมีตัวที่มารู้ตัวโยมนะทีนี้หลวงพ่อจะแยกอย่างนี้ว่าตัวโยมเนี่นะสมมติว่าโยมยืนดูผ้าม่านแต่ถ้าไม่มีคือถ้าขาดสตินะสมมติว่าไม่รู้ตัวเนี่ยตัวโยมก็ยังยืนอยู่แต่ผู้รู้ไม่มีจึงรู้จึงรู้จึงรู้จึงรู้ไม่ได้ว่าโยมยืนเพราะมันไม่มีตัวรู้ไม่มีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่ ที่เป็นโยมอ่ะที่บอกว่าโยมเป็นคนยืนอ่ะโอเคอันนี้ถือว่าให้มองเป็นเป็นโยมไปก่อนได้ว่าเอออันนี้คือตัวโยมแต่ตัวตั ว, ตวโยมเนี่ยถ้าไม่มีสติเห็นไหมมันก็ไม่รู้ตัวโยมใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่โยมรู้บอกว่าเออรู้ตัวว่ายืนดูม่านอยู่นี่แสดงว่ามีสติเพราะฉะนั้นสติกับตัวโยมเนี่ยโยมว่าเป็นตัวเดียวกันไหมอ่ะไม่ครับเออไม่ใช่ คือไม่ใช่คือคือใช่อ่ะคือใช่ใช่แล้วคือไม่ใช่ตัวโยมเพราะตรงนี้มันเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่า อ, อ๋อบางทีโยมยืนอยู่แต่ไม่รู้ตัวก็ได้ถูกไหมนะแต่บางทียืนอยู่ก็รู้ตัวได้แสดงว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยอันนั้นแหละมันไม่ได้อยู่กับตัวโยมโดยโด ย, โดยแบบชนิดที่เป็นคู่แฝดกันบางทีมันก็ไม่อยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นตัวโยมได้ไมล่ะถ้าเป็นแบบนี้หลวงหลวงพ่อกำจะบอกว่าจริงๆแล้วสติเนี่ยเป็น เป็นเครื่องมือที่ที่ดีชัดชิ้นหนึ่งที่ที่จะทําให้เราได้กําหนดเรื่องการรู้ไม่รู้ได้ใช่ไหมออันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ากําลังอธิบายเพื่อให้ถอนความเข้าใจผิดเพราะเดิมโยมบอกว่าไอ้ตัวที่ยืนคือเป็นตัวโยมเนาะแต่ไอายตัวที่รู้โยมก็บอกว่าก็เป็นตัวโยมอีกหน้าตาเหมือนเหมือนกันแต่ตอนนี้หลวงพ่อก็ชี้ให้เห็นแล้วว่ามันคนละตัวกันเพราะว่าบางทีมันรู้บางทีมันไม่รู้แล้วก็จะบอกว่าตัวเราได้ยังไงใช่ไหม ตรงนี้พอพอรู้สึกเข้าใจมากขึ้นไหมเข้าใจครับก็เหมือนว่าถ้าเกิดว่าสติมันมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นของเราไปตลอดอ่ใช่ไหมครับเออมันไม่คือบางทีบางทีมันก็มันก็มีบางทีแล้วก็หลายครั้งแล้วก็ไม่มีสติมันมีสตินี่ไม่ได้แปลว่าเมาหรืออะไรแต่ว่ามันเราอาจจะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะใช่ไหมครับอ่าอ่าใช่ตีนี้ไปเรื่อยอืใช่ตีนี้พอพูดถึงสตินะสุวะามันมีบ้างไม่มีบ้างเนี่ย ไอตอนที่มีเนี่ยเขาเรียกว่ามีอยู่เนาะบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นตัวตนเพราะมันมีแต่เนื่องจากสติมันก็ไม่เที่ยงและมันดับพอดับปั๊บมันก็เป็นความไม่มีถูกป่ะครับอ่าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าสิ่งใดเกิดดับอย่างเนี้ยสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะว่าถ้าตัวตนที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องยั่งยืนคือไม่มีการดับเนาะแต่ปรากฏว่าสติเป็นไงอะดับไหมถ้าดับก็มันถือว่าเป็นตัวตนไม่ได้ แล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อมันดับแล้วมันไม่มีแล้วไงหาไม่เจอจะเรียกว่าตัวตนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่รู้เราอ่ะมันเป็นคือมันไม่ใช่เราก็แล้วกันพอเข้าใจได้เนาะแล้วตอนนี้ยังลึกๆยังเป็นเราอยู่ไหมอะเอถ้าถ้าฟังอย่างนี้ไม่เหรครับอ่าเอาทีนี้ลองยืนรู้ใหม่ลองทบทวนก็ได้ลองยืนใหม่ทําใหม่แล้วมันก็รู้เราเหมือนเดิมไหมขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะครับเออดอแผมหนูไปดูเลย เอานะเอาทำเหมือนเดิมเลยยื น, ยนดูมา่านยืนเหมือนกันแล้วตอนเนี้มันรู้ตัวเราเร็วมากเลยใช่ไหมเพราะมันมีประสบการณ์แล้วเนี่ยยิ่งห้ามมันก็ ย, ยิ่งรู้เนะเาะเพราะงั้นมันรู้ไปเลยไม่ต้องห้ามแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องห้ามแล้วก็ต้องไม่ต้องให้รู้มันรู้แล้วใช่ไหมครับอ่าโอเคนี่แสดงว่ามันชํานาญแล้วมีประสบการณ์มันก็เลยรู้เราไล่เลยทีเนี้รู้เราเนี่ยถ้าขาดสติมันไม่รู้นะถูกไหมครับอ่าพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยลงใจแล้วยังว่าไอ้ไอ้ที่รู้เราอ่ะมันไม่ใช่เรา เข้าใจครับเออันเนี้ยนี่หลุดไปตัวหนึ่งแล้วนะว่า<ช>ไอ้ที่รู้ว่าไม่ใช่เรารู้เนาะหรื อ, อยังเรารู้อยู่ไม่ไมครับไม่ก็ก็ถ้าถ้าแยกแบบนั้นก็ก็นั่นแหละครับก็แปลว่าสิ่งที่เรารู้ผมไปรู้เลขสติได้ไหมแต่ว่ามันเออใช่ใช่เรียกอะไรก็ได้เอาแต่ว่ามันมีก็แล้วกันเนาะไอ้ตัวรู้เนาะใช่ใชแต่ตัวรู้เนี่ยมันเกิดเกิดดับๆมันไม่ใช่เราเนาะครับอ่าแต่ทีนี้ที่เหลืออยู่ตัวอื่คือไอเราที่ยืนหน้าหน้าไปยืนดู ดูมาน่ะไอ้ตัวเนี้ยคืออะไรถ้าตามที่ความรู้มาที่ประกอบกันเป็นตัวอย่างเนี้ยจึงประกอบด้วยกี่ขันนะห้าขันเนาะอ๋อปฏิขัน 5. ใช่ครับออไอนะ้ที่ยืน น, นี่นี่ครบห้าขันเลยเนาะครับห้าขันนี้เป็นเราไหมตามที่เรียนมาก็ถ้าถ้าเท่าที่รู้มาแค่ความรู้ที่รู้ก็คือห้าห้าขันมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ที่มประกอบเราเป็นเป็นเราอะใช่ไหมครับเออแล้วแล้วถ้าแต่ละขันเนี่ยแต่ละขันเป็นเรามะอืยถ้าแยกรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะครับเออสุนทรขันขันเดียวเขามีแต่รูปอย่างเดียวเป็นเราได้ไหมอืมไม่ไม่น่าได้นเออแล้วก็ถ้ามีแค่สัญญาอย่างเดียวเป็นเราได้ไหมอย่างเดียวเลยไม่ได้ครับเออถ้ามีแต่ความความเวทนาอย่างเดียวเป็นเราได้ไหมไม่ได้ครับรวมแล้ว ขันเนี่ยแต่ละขันถ้ามันเป็นขันเดียวก็เป็นเราไม่ได้เนาะครับอ่าเมื่อแต่ละขันไม่เป็นเราพอมันรวมมาห้าขันแล้วมันมันเป็นเราออตอนไหนอ่ะมันก็ไม่เป็นเราเออก็ไม่เป็นเราเพราะฉะนั้นไอความเข้าใจผิดเนี่ยคือมันเข้าใจผิดว่าเป็นเราตอนนี้ก็เปลี่ยนความเข้าใจผิดให้เป็นเข้าใจถูกเสียเขาเรียกว่าปัญญาครับอ่าปัญญาอย่างไงก็เป็นเราไม่ได้ถึงแม่ขันหนึ่งความรู้สึกกันนะ เช่นเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกว่าเป็นเราความรู้สึกนี้ก็คือเป็นขันซึ่งไม่ใช่เราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเป็นเราหรือว่ารู้สึกไม่เป็นเรามันก็ไม่เป็นเราอยู่ดีมันเป็นแค่ความรู้สึกเพราะฉะนั้นจะต้องมีสติรู้เท่าทันต่อความรู้สึกเวลามันบอกว่าเป็นเราก็ให้เพียงแค่รู้ว่าอ๋อมันก็เป็นแค่ความรู้สึกคือเป็นสังขารน่ะมันไม่ใช่ของมันไม่ใช่เป็นเราเหมือนกับว่ามันหลอกว่าเป็นเรามันหลอกไง เวลานอนกลางคืนมันมันหลอกไหมเวลานอนหลับว่าเป็นเรามันมันมีไหมมีเลยครับเวลานอนหลับอ่ะมันรู้สึกว่าเป็นเรามีไหมไม่รู้ครับไม่มีไม่รู้เห็นไหมเพราะฉะนั้นในความรู้สึกเนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็นความสังขารที่เกิดดับเวลานอนหลับแล้วเห็นไหมมันไม่เกิดพอมันไม่เกิดมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเราหรือไม่เป็นเราเพราะฉะนั้นในความเป็นเราเนี่ยมันก็เกิดแค่ความรู้สึกเกิดดับดับมันก็คือขันใดขันหนึ่งอ่ะแหละที่มันเป็นความรู้สึกหรือเป็นความคิด มันเป็นสังขารน่ะ อ, อพูดรวมๆเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าเป็นเราแต่ก็มันไม่ใช่เป็นเราอยู่ดีครับ<า>นึกออกไหมเออมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นภาพลวงตาหนะ่ะมันไม่ใช่เป็นเราที่แท้จริงะทีนี้ให้เราเทียบไงว่าตอนที่เรานอนหลับหรือตอนที่เราคุยเพลินน่ะมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นอะไรแสดงว่าความรู้สึกเนี้ยมันก็เกิดดับจริงได้เกิดดับมันก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต่อให้รู้สึกก็หลอกไม่ได้แล้วตอนเนี้มึง เนี่ยตอนนี้เช่มันรู้สึกว่าเป็นเราแต่ก็ให้เข้าใจด้วยปัญญาว่าอ๋อมันก็เป็นแ ค, แค่ความรู้สึกไม่ใช่เราที่แท้จริงเนี่ยต้องใช้ตรงเนี้มาประกอบให้เป็นองค์ความรู้ไงเพื่อจะได้ถอดถอนความหินผิดแล้วต้องมีความเพียรมีความเร่งเป็นเรื่องด่วนเพราะว่าเราไม่รู้ต า, ตายวันไหนอะทุกคนนะนะเพราะนั้นเป็นเรื่องด่วนคือมีสติมีปัญญาเรื่องเนี้ยต้องทําให้ให้ได้ในภพชาติเนี้ยเพราะว่าตายบ่อยไม่รู้เกิดเป็นอะไรยองยมก็รู้อยู่แล้วเนาะเกิดเป็นมนุษย์มันยากอยู่แล้ว อ๋อ oh, ครับเออเพราะนั้นเนาะลองไปทำความเข้าใจให้ดีอะไรก็ว่ากันไปนะวันนี้ก็สี่ทุ่มแล้วมั้งใช่ไหม